วันนี้หลวงพ่อได้ถามพระที่เป็นครูฝึกครูฝึกนาคบอกว่านาคพร้อมที่จะบวชได้นะถามว่าโยมคุณพ่อคุณแม่จากอเมริกาจะ ก, กำหนดวันไหนต้องถามผู้อยู่ไกลก่อนนะถ้าว่าจะบวชวันไหนก็ ตามจริงของพ่อเองก็เรื่องการบวชทั้งว่ามีเวลามากทั้งว่ามีเวลามากหลวงพ่อก็ไม่ไม่เรียบนะอันนี้พูดที่จะบวชก็มีเวลาจำกัดในเมืองมีเวลาจำกัดมีเวลาน้อยแต่หลวงพ่อถึงยังไงถึงจะน้อยหรือมากเรื่องก่อนที่จะบวชก็ต้องให้เรียบร้อยในการ กล่าวขานนากให้ถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัยอันนี้คือเป็นหลักถึงจะบวชนานแต่ท่องนกักขอบวชไม่ได้ท่องเป็นภาษาบาลีไม่ได้ถึงจะนานขนาดไหนหลวงพ่อก็ไม่ให้บวชเพราะว่ายังไม่พร้อมแต่ถ้าหากว่าผู้ที่จะบวชพร้อมแล้วมีเวลาน้อย แต่ว่าเป็นผู้ตั้งใจกล่าวท่องได้ถูกตามกฎเกณฑ์ขนบธรรมเนียมหรือว่าถูกตามหลักพระธรรมวินยัยหลวงพ่อจะให้บวชเร็วไม่มีปัญหาสรุปแล้วก็คือให้อยู่ในกฎระเบียบหลักธรรมวินยัยอย่าให้มันฝ่าฝืนหลักธรรมวินยัยถ้าว่าพวกเราฝ่าฝืนคราวนี้ขององค์นั้น ฝ่าฟื้นบั่งองค์นั่นก่อพาไปบั่งผลที่สุดกดเกณฑ์ก็จะไม่มีเอาทีนี่อย่างหลวงพ่อได้เห็นพระอุปชาท่านพูดองค์หนึ่งในพูดในที่สาธารณะเลยแหละท่านบอกว่าไม่รู้จะเอาอยัางไงคนทุกวันนี้ไปทำงานโรงงานพอขึ้นมาบ้านก็อยากจะบวช มาจากจะบวชให้พ่อให้แม่มาได้เพียงเจวันบางคนก็15วันบางคนก็เจวันก็อยากจะบวชก็ยังไม่ได้เตรียมอะไรพร้อมถ้าไม่บวชก็ไม่ได้บวชผลที่สุดพระอุปชาก็เลยดับของหลับตาบวชให้พอบวชให้แล้วทั้งที่จะเป็นผลดีกลับเป็นผลไม่ดีต่อหลักการหลวงพ่อว่านะ เพราะว่าบวชเข้ามากับบวชแบบลกลี้ลุกลนพ่าไม่รู้เรื่องอะไรถ้าเขาบวชตรวงพ่อก็เลยเปรียบเทียบแบเขาบวชฟักบวชแฟงบวชเควนน้าว้าเขายัางเตรียมกระทะเตรียมฟืนเตรียมน้ําตรงน้ําตาลเตรียมทัพผงทัพพีอันนี้เราบวชเป็นพระแท้ๆไม่ได้เตรียมอะไรเลยปุบ ป, ปับจับมาบวชเลย ทองอะไรก็ไม่ได้ว่าตามหลังทั้งหมดผลที่สุดก็เข้ามาบวชพอเข้ามาบวชแล้วก็ไม่รู้จักหลักการอีกเพราะบวชเพียงเจ็ดวันสิบห้าวันอุปชาก็ไม่มีเวลาสอนอีกผลที่สุดออกไปก็ไปตาหนิพระอีกโอ้ยบวชสิบเจ็ด 17, 000, วันสิบห้าวันไม่เห็นพระทำเขาทำอะไรเห็นแต่อยู่เฉยๆผลที่สุดก็เลยคือเขาอยากจะให้พระทำงานทั้งวัน มีงานอะไรทําทั้งวันแต่ตามไม่จริงงานของพระเพราะไม่ได้ศึกษาไม่ได้ถามไทยไม่ได้เรียนรู้แต่ทีแรกแล้วก็ไม่มีเวลาสอนอีกเกลยไม่รู้ว่าการทํางานของพระนั่นคืออะไรตัวเองก็เข้ามาก็มีแต่มันนั่งอยู่จากนั้นก็อยู่ๆกินๆนอนๆพอที่จะคิดถึงการถึงงาน คิดถึงครอบถึงครัวว่าเวอ่างว่างเงียบเหงาซึมเศร้าวกว่าจะได้เจ็ดวันสิห้าวันพลที่สุดเลยไม่ได้อะไรไม่ได้ศึกษาอะไรศึกออกไปไพระอุปชาเขาบอกว่าดีกว่าไม่บวชแต่หลวงพ่อบอกว่าไม่บวชจะดีกว่าไม่ใช่ว่าอุปชาบอกว่าดีกว่าไม่บวช คำว่าดีกว่านะั้นดีกว่าที่ตรงไหนบวชเข้ามาแล้วไม่ได้ศึกษาอะไรเพ้อเพ้อจะดูถูกเหย็ดหยำวัดวาศาสนาพระสงฆ์ใช่อีกเพราะเหตุไรเพราะไม่ได้ศึกษามาก่อนแตถ้าเอาว่าผู้ใด้ศึกษามาก่อนก็เอออันนี้อีกส่วนหนึ่งถ้าผูดด้ใดศึกษามาแล้วก็ไม่น่าจะรีบเร่งรีบด่วนเข้ามารักษาศีลเป็นตะพะขาวรักษาศีลอุโบสถในวัดภาวนาไปเรื่อยๆก็ยังดี ดีมีประโยชน์กว่าที่เข้ามาบวชลุกลี่ลุกลนนะหลวงพ่อว่าอย่างนั้นไปอีกนะเพราะเหตุไรเพราะบวชเข้ามาแล้วไม่ได้ศึกษาเห็นพระอยู่ตามลาพังก็คิดว่าพระไม่ได้ทำงานอะไรแต่ตามไม่จริงพระเนะี่ยท่านทำงานมันไม่ใช่เหมือนงานทางโลกงานทางโลกมันต้องมีจอบมีเสียมมีกบมีสวรค์มีปากงงมีปากกาเขียนแปลนเขียนแผนที่ อ่านกฎหมายบ้านเมืองอย่างนั้นแต่ของพระไม่เป็นอย่างนั้นของพระนั่งขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทํากายให้ตรงดํารงสติเฉพาะหน้ากําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกให้สติอยู่กับตัวเองไม่ให้คิดปุ่มฝุงซ่านไม่ให้คิดถึงบ้านไม่ให้คิดถึงเรือนไม่ให้คิดตั้งถึงการงาน ไม่ให้ส่งจิตออกไปข้างนอกเนี่ยหน้าที่ของพระเป็นอย่างนั้นมันตรงกันข้ามกับหน้าที่ของคาวญญาติโยมหรืองานทุกแผนกในโลกนี่ว่าไงนะพูดได้อย่างนั้นงานวิชา อ, อันไหนก็ตามในโลกนี่มันไปคนละทิศทางแต่วิชาขแขนงพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าให้พระสาวกหรือว่าพระสงฆ์ผู้ปฏิบัต เป็นลูกศิษย์ของสักยบุตรเนี่ยปฏิบัติตนอย่างไรพระพุทธเจ้าท่านออสอนให้รู้จักว่าวิธีการเปิดเปิดให้คิดเปิดยังไงเปิดช่องไงเปิดให้คิดเวลาปิดปิดยังไงปิดใจไม่ให้คิดแต่วิชาทางอื่นๆเขาบิดเปิดให้คิดส่งเสริมให้คิดคนคว้าหาหลักวิชา หาหลักยืนยันตำรานี้แล้วตำรานั้นตำรานั้นแล้วตำรานี้เพื่อยืนยันเพื่อให้วิชาคนตัวเองแข็งขึ้นแต่หลักของพุทธศาสนาเนี่ยวิธีการเปิดท่านเปิดช่องไหนให้คิดอะไรเวลาปิดก็มีปิดก็คือไม่ให้สง่งจิตออกไปข้างนอกทกําจิตให้นิง่งทำจิตให้สงบทําจิตไม่ให้กระสับกระส่าย ไม่ให้คิดถึงอดีตอนาคตให้จิตอยู่ในปัจจุบันให้ใจอยู่ในปัจจุบันอันนี้หนะหน้าที่ของพระสงฆ์ที่พระพุทธเถรองไปค้นคว้าอยู่ได้ถึงหกปนะีที่ได้ตัดรู้ธรรมนีนะ่อันนี้ให้พวกเรารู้ว่ากฎเกณฑ์ของพุทธศาสนากับทางโลกนั้นแตกแตกต่างกันสรุปแล้วนะไม่เหมือนกันพระพุทธเจ้าที่ท่านบอกว่า ภาวนามายะปัญญาในทางโลกไม่มีหรอกทางโลกมีแต่สุตตมายะปัญญาปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟังจินตามายะปัญญาปัญญาเกิดจากการจินตนาไข้ควรทบทวนเหตุและผลค้นคว้าหาหลักวิชามาเสริมอันนี้ว่าจินตามายะปัญญาภาวนามายะปัญญาไม่มีในหลักทางโลก มีแต่ทางพุทธศาสนาภาวนามย์ปัญญาคือปัญญาเกิดจากจิตสงบทำจิตให้นิ่งทำจิตให้สงบทำจิตให้เป็นหนึ่งจากนั้นเมื่อจิตเป็นหนึ่งแล้วจิตสงบแล้วนำจิตที่เป็นหนึ่งที่จิตสงบนั้นพิจารณากันกลองไตรตรองหาเหตุและผลคือจิตไม่หิวโหวยแล้วกเหมือนกับเราจับลมจับไฟ จับอากาศออกซิยงออกซิเจนมาใส่หัวแก๊สจากนั้นก็เป่าลงไปในแผ่นเหล็กถ้ามันหรีเล็กเท่าไหร่ยิ่งมีกําลังมากตัดแผ่นเหล็กก็ขาดอย่างพวกเราเห็นใช้ออกซิเจนตัดเหล็กแต่ถ้าว่ามันผ้าผ้าผ้าผ้านมันปล่อยใส่แผ่นเหล็กมันก็ไม่ไม่ทะลุไม่ขาด แต่ถ้าว่ามันหมุนหลีหัวแก๊เข้าไปหัวตัดเหล็กเข้าไปจนสีเขียวปิดจ่อลงไปในแผ่นเหล็กเหล็กละลายเลยอันนี้ก็เหมือนกันกําลังใจของพวกเรากนอย่างนั้นถ้าเราใจของเราปุงุงฟุ้งซ่านเอามาคิดเรื่องอะไรมันก็ไม่เป็นเรื่องเป็นราวทั้งหมดแต่ถ้าว่าใจของเราแน่วแน่ใจของเราเป็นหนึ่ง คือว่าภาวนาบยญปัญญาทำกิจให้เป็นหนึ่งจากนั้นพิจารณาอะไรเป็นเรื่องเป็นราวเป็นเหตุเป็นผลขึ้นมาเพราะฉะนั้นตอนนี้เราต้องศึกษาที่จะเป็นอย่างนั้นได้ต้องศึกษาต้องเรียนรู้ไม่ใช่วิชาทุกแขนงในโลกนี่ต้องเรียนรู้ซะก่อนแล้วจึงลงมือปฏิบัติไม่ใช่ว่าเราฟังประเดียวประดาวแล้วก็นนำมาทดสอบทดลองดูเลย เพืเพื่ออาจจะผิดพลาดได้ง่ายเพราะนั้นเราต้องศึกษาในรายละเอียดว่าทําหม่พระพุทธเจ้าจึงสอนอย่างนี้ทําไม่ครูบาอาจารย์จึงสอนอย่างนี้องค์ไหนบ้างที่ได้ประสบพบเรื่องราวอย่างนี้แต่พวกเราได้ศึกษาแล้วจะรู้ได้นะเอาตอนนี้ไปรับพรนัตนีนนะอ น, นะนุโมทนาให้พร